เมื่อประทีบน้ำมันลุกโผลงอยู่ก็สมัยนั่นแหละตัวมแมลงเป็นอันมากตกลงรอบรอบที่ประทีบน้ำมันเหล่านั้นย่อมถึงความทุกข์ความพินาศความย่อยยับก็มแมลงตกไปในประทีบน้ำมันอะไรจะเกิดขึ้นนะนะลำดับนั้นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นตัวมแมลงเป็นอันมากเหล่านั้นตกลงรอบรอบที่ประทีบน้ำมันเหล่านั้นถึงความทุกข์ ความพินาศความย่อยยับพระองค์ทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าเห็นมแมลงแล้วนึกถึงคือพระพุทธเจ้านี่นะเห็นผลแล้วสาวไปหาเหตุเหตุของการเกิดเป็นมแมลงคืออะไรก็มิฉัิทิก็กล่าวว่าสมณะพราหม์พวกหนึ่งย่อมเล่นเลยไปไม่ถึงธรรมะอันเป็นสาระย่อมพอกพูนเครื่องผูกใหม่ๆ ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งที่ตนเห็นแล้วฟังแล้วอย่างนี้เหมือนฝูงแมลงตกลงสู่ประถิบน้ํามันฉะนั้นก็สาเหตุที่ทําให้เกิดในเดรชานันหนึ่งก็คือมิจฉาทิฐิเพราะพวกสมณพราหมณ์ทั้งหลายที่กําลังอยู่ในกําลังอยู่ในมิจฉาทิฐิหรือตกอยู่ในอํานาจของมิจฉาทิฐิถูกเครื่องผูกคือทิฐิใหม่ๆนี่ผูกไปเรื่อยยืดถืออยู่แต่อารมณ์ที่เห็นเสียงที่ฟัง พยึดถืออย่างนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากพวกมแมลงที่กำลังตกไปสู่ประทีปน้ำมันถ้าประทีปน้ำมันที่มีไส้เนี่ย น, ะน้ำ ม, นมันมันจะร้อนมแมลงพวกนี้ถูกทอดสดนนะบินตะไปถูกทอดสดเลยก็สมัยใหม่นี้เขามีอะไรน ะ, มะแมลงทอดสดมแมลงกรอบขายก็เห็นมแมลงก็ระลึกถต่ว่า ทำกรรมอะไรมาเนาะมีน ะ, มะแมลงทอดเขามีมแมลงกระป๋องและตอนเนี้มีมแมลงกระป๋องขายนี่เมื่อวานเมื่อวานลงเลื่องก็เปิดทีวีก็เลี้ยวไปดูเขากําลังทําแมลงกระป๋องเป็นโรงงานเลยเป็นอุตสาหกรรมเลยมแมลงกระป๋องมีหลายพัน ราตรีนี้เป็นราตรีที่มืดมิดนะในอัตถกถาบอกว่าแม้ราตรีในคืนวันเพนสว่างสวัยด้วยแสงจันทร์ข้างขึ้นเป็นอันชื่อว่าเว้นจากความมืดมิดก็ถือว่ายังสว่างอยู่นะแม้ในความมืดก็ไม่ควรจะกล่าวว่ามืดมิดในเมื่อกลางวันปราศจากความหมองด้วยหมอกเป็นต้นจริงอยู่ความมืดมิดท่านเรียกว่าติมิสาก็ความมืดเนี่ยคือ ความมืดนะันต้องเป็นวัน10แรมข้างแรมคือวันดับคือข้างแรม15บ่ําคำตอนกลางคืนและฝนตกขณะนั้นเมฆนี่ก็ปกคลุมด้วยกลีดเมฆนะท้องฟ้านี่ปกคลุมด้วยกลีดเมฆถ้าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ากลางคืนที่มืดมิดเนี่ยนะมืดมากอพโฟกาเสก็คือในโอกาสที่ไม่ปกปิดได้แก่ลานวิหาร เมื่อประทีปนักประทีปชดช่วงด้วยน้ำมันกลางคืนนี้มืดสนิทแต่ประทีปน้ำมันก็จุดลุกโผลงอยู่ถามว่าก็รัศมีด้านละวาของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามปกติแผ่ซ่านไปตลอดที่ประมาณหนึ่งวาคขมแสงจัน์และแสงอาทิตย์ใช้แสงสว่างของพระพุทธเจ้าที่หนาทึบตั้งกำจัดความมืดมิดแม้รัศมีแห่งพระวรากายก็ใช้พระพุทธรังสีที่หนาทึบ มีสีหกประการสีเขียวสีเหลืองเป็นต้นตามปกติทีเดียวทำในที่ประมาณแปดสิบอให้สว่างสวโดยรอบเมื่อเป็นเช่นนั้นในโอกาสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอันมีแสงสว่างเป็นอันเดียวกันกับแสงสว่างของพระพุทธเจ้านั่นแลไม่จำต้องมีกิจคือการตามประทีปไม่ใช่หรือ น, นะเขบอกว่าคําถามก็คือรอบๆพระพุทธเจ้ามีพระศมีออกไม่ใช่หรือพระองค์มีแสงออกจากพระวรากายอยู่แล้วไม่ใช่หรือจุดประทีปทําไมก็บอกว่าไม่จําเป็นต้องจุดประทีปก็จริงถึงอย่างนั้นอุบาสกผู้ต้องการบุญก็ต้องการตามประทีปน้ํามันทุกๆวันเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์การจุดประทีปบูชาเป็นพุทธบูชานั้นสมัยพระองค์มีพระชนอยู่ก็ยังตามประทีป ทั้งๆ ท, ที่พระองค์ก็มีแสงสว่างออกจากพระวรากายอยู่แล้วอย่างที่ว่าในสามัญญผลสูตรก็มีการจุดประทีปโลงอยู่ในโรงโกลมท่านกล่าวเอาไว้เพื่อระบุถึงความเป็นจริงของราตรีแต่หาได้กล่าวโดยโอกาสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งเป็นภาวะที่มืดมิดไหมในสูตรนี้มุ่งอธิบายว่าวันนั้นเนี่ยเป็นคืนเดือนมืดแล้วก็มืดสนิทด้วยไม่ใช่ว่าตรงไหนที่พระองค์นั่งแล้วมืดสนิทไม่ได้แปลอย่างนั้น แต่ว่าเหตุการณ์ในคืนนั้นเนี่ยโดยปกติเป็นคืนเดือนมืดเหมงอนกันจริงอยู่เพื่อทําการบูชาเท่านั้นแม้ในการนั้นพวกอุบาสกก็ตามประทีบคาว่าตามประเทีก็แปลว่าจุดประทีบนั่นแหละในวันนั้นอุบาสกชาวเมืองสาวัตถีจํานวนมากชําระร่างกายแต่เช้าตรู่ไปยังวิหารสมาทานองค์อุโบสถในมณฑลภิกษุสองมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เข้าไปสู่พระนครให้มหาทานเป็นไปแล้วส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและพิสุสงฆ์กลับแล้วก็ไปยังเรือนของตนของตนบริโภคด้วยตนเองนุ่งห่มผ้าเรียบร้อยมีอุตราสงเฉียงบ่าอุตราสง์เฉียงบ่าก็คือสบายเฉียงบ่านะต่างก็ถือของหอมและดอกไม้เป็นต้นพากันไปยังวิหารบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้านี่พูดถึงในตอนกลางวัน บางพวกก็เข้าไปหาภิกษุที่ตนชอบใจและนับถื อ, อ น, นันนก็คือเข้าไปหาพระที่ตัวเองเลื่อมใสไปได้สนธนาธรรมจะได้ไปถามปัญหาเป็นต้นบางพวกก็ใส่ใจโดยแยบคายยับยั้งอยู่ตลอดวันหาที่หลีกเล้นตรึกพระธรรมไปเรื่อยโยนิโมสมนัสการในคำสอนไปครั้นเวลาเย็นอุบาสกเหล่านั้นก็ฟังธรรมในสานักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระศาสดาพระศาสดาคือผู้สอนประโยค ผู้สอนประโยชน์3าอย่างนะพระองค์ผู้สอนประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและ<ม>ประโยชน์อย่างยิ่งประทับนั่งบนบวรพุทธอาฏที่เขาบรรจงจัดแจงเอาไว้ในกลางแจง้งใกล้พระขันทกุ u ตีตั้งแต่มนดบแห่งธรรมสภาและเมื่อภิกษุสง์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเพื่อจะชำระอุโบสถให้สะอาดและเพื่อจะพ่อพูนโยนิโสมนสิการจึงไม่กลับไปยังพระนครนะ พวกอุบาสกเนี่ยนะอยากจะอยากจะให้อุโบสถของตัวเองนี่บริสุทธิ์ผุดผ่องใช่ไหมเพราะว่าถ้ากลับไปบ้านเดี๋ยวก็ไปวุ่นวายกับเรื่องของครอบครัวไหนๆก็จะเอาอุโบสถให้บริสุทธิ์ก็ตัดกิจกรรมอย่างอื่นออกไปนะให้โยนิโสมนัสการกุศลจิตเกิดเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็เลยยังไม่กลับบ้านประสงค์ใหญ่ประสงค์จะอยู่ในพระวิหารเท่านั้นจึงเหลืออยู่ แสดงว่าสมัยนั้นก็ยังมีที่พักของอุบาสกหรืออาจจะไปอยู่ตลอดราตรีได้นะครั้งนั้นอุบาสกเหล่านั้นตามประทีปน้ํามันเป็นอันมากเพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์แล้วเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาถวายบังคมและประคองอัญเชลีแด่ภิกษุสงฆ์นั่งณส่วนสุดแห่งภิกษุสงฆ์ก็คือนั่งข้างท้ายพระภิกษุนะอุบาสกเหล่านั้นก็สนทนากันว่าข้าแต่ท่านผู้จเจริญ พวกเดียร์ีเหล่านี้กล่าวยึดถือทิฏฐิต่างๆเมื่อกล่าวอย่างนั้นบางคราวก็เที่ยงบางคราวก็ว่าไม่เที่ยงไม่ตั้งอยู่ในทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุดเฉททิฏฐิเป็นต้นเลยเป็นเสมือนกับคนบ้ายกย่องทิฏฐิใหม่ๆว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเดียร์ีเหล่านั้นผู้ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นเนี่ยมีคติเป็นอย่างไร อภิสัมปรายะพบของพวกเขาเป็นอย่างไรก็สนทนาการไปเรื่อยนะแบกยึดถือแต่ความเห็นไอความเห็นก็ยึดไม่ได้แน่อร่อยรอกบางอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเที่ยงอีกภักหนึ่งก็ถือว่าศูนย์อีกแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงกันแน่และไอความเห็นที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างนี้นะไอไม่ยอมเปลี่ยนก็คือขอเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ตลอดไปแต่ว่าไอาตัวทิฏฐินี่เปลี่ยนไปเรื่อยบางคราวก็ถือว่าเที่ยงบางคราวก็ถือว่าไม่เที่ยง ชาติหน้าเป็นยังไงนาะถามแบบเราะนะสมัยนั้นมแมลงเมาเป็นอันมากตกลงที่ประทีศน้ํามันเพราะฉะนั้นก็บอกว่ามแมลงเมาเป็นอันมากตกลงในประทีศน้ํามันเท่าที่ถ้าดูบอกว่ามแมลงเมาตกไปในประทีศน้ํามันใช่ไหมถูกทอดสดฉันใดเดรัทธีก็แสดงว่าอนาคตถูกทอดเหมือนกันทอดที่ไหนบอกหม้อใหญ่ๆนูน่น มันพูดถึงพวกแมลงที่บินตกลงไปนี่นะบางพวกก็ปางตายแต่ก็น่าสงสาร น, นะใครที่จุดที่จุดเทียนเนี่ยเวลาแมลงเมามันบินไปเนี่ยนะมันก็บินถะลาปีกเข้าไปหาไฟแล้วไฟก็วาบเข้าไปปีกหักไปข้างหนึ่งก็ตกนะบางพวกก็เอาปีกเนี่ยไปติดกับไอ้ไข่เทียนใช่ไหมก็ออกไม่ได้ก็โอยถูกย่างถูกปิ้งสดอยู่นั่นแหละกว่าจะสุกเนี่ยะมันะนะพวกสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่น้อยเนะนะบางทีเนี่ย ไฟกลางถนนไฟไฟนีออนน่ะนะที่ที่เปิดกลางถนนบางทีก็บี๊นมาเป็นหมื่นเป็นแสนรถก็เยียบตายหมดบางทีเนี่ยสังเกตดูเวลาฝนตกเนี่ยจะเห็นว่ากลิ่นมันเนี่ยขาวคละาคลุ้งเลยเนะมันเป็นแห้งกรังไปหมดมีอยู่บางวันเนี่ยนะนั่งรถกลางคืนนี่ถ้าไม่ได้เปิดแอร์เนี่ยนะโหกลิ่นบนถนนเนี่ยขาวตลอดซ้ายเลยยิ่งถนนในแบบลาดยางในปาปาหน่อยนะ จะมีแต่กลิ่นสัตว์เนี่ยคาวคละคลุ้งไปหมดพวกแมลงเหล่านั้นเนี่ยก็ตกไปในอันนี้พูดถึงที่ที่เขาตามประทีเอาไว้จุดประทีปเอาไว้เนี่ยก็บีนตกลงไปในที่เหมือนว่าตกไปในบ่อน้ํามันที่กําลังเดือดพล่านก็ตายนี่ขนาดเดรัจฉานนะอย่างขนาดนี้นรกหนักกว่านี้เยอะเนี่ยนะสาเหตุ ข, ของของการตายอย่างนั้นเนี่ยเพราะสัตว์เหล่านั้นก็มีเหตุมีปจัจจัยเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดในนรกเป็นต้นก็คือ มิจฉาทิถิพูดแบบภาษาไทยเรียกว่ามิจฉาทิถิพูดแบบบาลีหน่อยบอกมิจฉาทิถินะถ้าพูดแบบไทยๆก็คืออะไรตัวความเห็นนี่แหละร้ายกาจที่สุดแปลภาษาไทยว่าความรู้ความเข้าใจนะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกถ้าถือตามพระพุทธศาสนาเพราะความรู้ความเข้าใจที่ผิดพลาดทุกอย่างพลาดหมดเลยถ้าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลยมันสรุปว่าอยู่ที่ความเข้าใจจริงๆ มันถ้าเข้าใจอย่างดีก็ถือว่าดีไปถ้าเข้าใจไม่ดีก็ผิดไปเข้าใจดีเข้าใจถูกเข้าใจผิดเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองหนาะอย่านีเราทั้งหลายเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองหนอะทั้นถ้าหากว่าเราเรารู้ได้อย่างไงว่าที่เราคิดเนี่ยถูกหรือผิดเข้าใจถูกต้องแล้วนะเป็นต้นเนี่ยนะทั้นถ้าเรามั่นคงอยู่ในพระรัตนตรัยก็ขอเดินตามพระรตนตรัยไปเถอดเราต้องยอมรับสภาพว่าเราเป็นคนบอดพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ ผู้ทางสารานังข้าฉามีก็ขอรู้ตามขอเห็นตามขอพิจารณาตามก็ยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นเป็นที่ไปในเบื้องหน้ารู้อยู่แล้วว่าพระองค์นี้มีพระมหากรุณาพระองค์มีพระบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็มีพระปัญญารู้ทางดีทางชั่วรู้ทางเสื่อมทางเจริญพระองค์ก็กําจัดสิ่งที่เป็นทางเสื่อมให้แก่เราพาเราไปในทางเจริญอยู่แล้วนะเราก็ขอเดินตามพระพุทธเจ้า ถ้าหากว่าเราไม่เดินตามพระพุทธเจ้าเราก็ไปตามคาําโฆษณาเนี่ยนะคำโฆษณาเพราะว่ามิจฉาทิฐินี่ไม่ใช่ขี้เกียจพูดเลยขยันมากเนี่ยน ะ, ะแปลกนะบางคนเนี่ยศึกษาธรรมะตอนเนี่ยถ้าตอนเป็นมิจฉาทิฐินี่โอ้ยขยันจริงๆพอเริ่มเข้าใจอะไรบ้างเลยเงียบสนิทเลยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรขึ้นบ้าเราก็ต้องอขอให้ทบทวนให้ดีๆเลยนะว่าสิ่งที่เราเข้าใจนี่เข้าใจถูกหรือเข้าใจผิด แต่ที่แน่ๆเนี่ยนะจะถูกจะผิดก็ตามรับผิดชอบด้วยตัวเองจริงๆแล้วก็ความเห็นของใครคนนั้นก็รับผิดชอบอยู่แล้วใช่ไหมเหมือนกับว่าเราบริโภคอาหารจะอิ่มจะหิวจะได้อาหารเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษเราก็กลืนด้วยด้วยตัวของเราเองฉันใดความรู้ความเห็นความเข้าใจก็เหมือนกันเรารับผิดชอบตัวเราเองเห็นไหมว่าพบใหม่ถ้าเราจุติจากพบนี้แล้วจริงอยู่ตอนนี้เรารวมกันเอาแล้วก็ภาคเดี๋ยวเดียวก็จากกันแล้ว แล้วก็เดี๋ยวก็จากเดีวก็เจอแล้วก็เจอเดีวก็จากแต่โดยมากจากแล้วก็ไม่ค่อยเจอเพราะว่าสังขารทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยอเมื่อเมื่อเราไปอย่างนี้ในสังสารวัตรเนี่นะเราเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองรับรองความรู้ความเข้าใจของเรานั้นคําว่าพุทธังธรรมังสังขังสรารนางังคัจฉามิเป็นคําที่สมบูรณ์ที่สุดสมัยพุทธกาลเวลาเขามีเรื่องราวอันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นมาพิสูจเหล่านั้นจะไปถามพระพุทธเจ้า ว่าสิ่งนี้พระองค์ตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าข้าถ้าพระองค์ตรัสอย่างไรตรงนั้นคือมาตรฐานถ้าสมัยนี้ล่ะสมัยนี้ของเราทั้งหลายถ้าเราคิดอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยเราต้องตรวจสอบกับพระธรรมวินัยว่าความคิดของเรานี้ตรงกับคำสอนสูตรใดบ้างแล้วขัด ก, กับคำสอนที่ไหนบ้างถ้าปฏิบัติตามนี้อนุโลมต่อคาสอนสูตรไหนถ้าปฏิบัติตามนี้ผิดกับคาสอน สูตรใดอยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเราจํามงคลได้สิ่งที่เราทําอยู่ประจําวันเนี่ยนะขัดกับมงคลกี่ข้อแปลว่าอับประมงคลกี่ข้อหรือได้มงคลกี่ข้อเป็นต้นท่านถ้รทำที่พระองค์สอนนี่แหละเป็นเป็นเครื่องตรวจสอบถ้าเราไม่มีคําสอนเราเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบเราละ่ะเราก็ได้แต่คนอื่นเขาบอกว่าดีแล้วทําต่อไปเถอะอนุโมทนาด้วย เราก็ไม่เข้าใจว่าคนที่อนุมโมทนาเขาเข้าใจแค่ไหนอะไรอย่างไรที่พูดไม่ได้พูดให้ระแหวงแต่พูดให้ระวังนะให้ระวังว่าเป็นไปตามคาสอนอยู่หรือถ้าเป็นไปตามคำสอนก็ดีจะได้เพิ่มความมั่นใจยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนถ้าเรารู้ว่าอาหารเป็นพิษเราคืนบริโภคต่อไปไหมเนี่ยนะก็เดือดร้อนกระสับกระส่ายต่อไปเป็นแน่ ท่า น, นเราก็ต้องมันระลึกคําสอนแบ่งเวลาอ่านคําสอนโดยเฉพาะพระไตรปิฎกนี่อ่านไปเถอะหลายคนเขาบอกว่าเออพระไตรปิฎกเนี่ยนะก็แปลผิดบ้างถูกบ้างแปลผิดผิดถูกถูกบอกว่าเก่งขนาดนั้นเลยเหรออ่านเมื่กี่รอบแล้วล่ะเห็นไหมคือเขาบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยนะบางท่านก็วิจารณ์มากก็เนี่ยการแปลเป็นต้นยังไม่สมบูรณ์ก็ใช่ละ่ะ ยอมรับว่าใช่ไม่สมบูรณ์จริงแต่ถามว่าถนนจากนี้ไปเชียงใหม่เนี่ยนะหกร้อยกิโลห้าร้0ยหกร้อยกิโลเนี่ยนะมันจะมีปะผุบ้างสักสิบยี่สิบแห่งเนี่ยจอมว่าเชียงใหม่ไม่น่าไปเลยใช่ไหมไม่ต้องใช้รถไปแล้ว น, นะอาจจะมีทางเบี่ยงบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะเหตุผลเท่านี้หรือที่เราจะไม่ไปเชียงใหม่สมมตินะทั้งๆ ท, ที่ว่าที่นั่นดีจริงฉันใดก็ดี พระธรรมคาสอนเหล่านี้เนี่ยนะถึงจะมีแปลไม่สมบูรณ์หลายแห่งก็จริงแต่ให้อ่านไปเถอะอ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆวินิจฉัยผิดถูกเองเพราะเรื่องเดียวไม่ได้มีอยู่ในนิกายเดียวเรื่องเดียวมีอยู่ในหลายนิกายถ้าคำสอนถูกต้องนี่ดูได้ยังไงจะไม่ขัดกันเองถ้าขัดกันเองแสดงว่ามีปัญหาเพราะพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันตรัสท่านไม่พูดให้ขัดกันเองหรอก แต่ที่เราเข้าใจแบบนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเป็นต้นเพราะนั้นถ้าหากว่าเรามีศรัทธานะมีบางคนก็เตือนบอกว่าเอจะหมกมุ่นในคำพีมากไปมั้งบอกว่าตอนนี้ดีที่สุดแล้วเนี่ยนะแล้วทีนี้การอ่านพระไตรปิฎกนี่ก็เป็นภาษาไทยที่เราอ่านได้เลยอ่า น, นะการอ่านครั้งแรกจะให้เข้าใจเหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ไม่ได้หรอกเนี่ยนะเพราะหนังสือพิมพ์เนี่ยเราต่องเสพแบบนี้มานานแล้ว นะแต่ว่าพระไตรปิฎกเพิ่งอ่านได้แค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยนะจะไปเข้าใจตลอดสายเท่ากับหนังสือพิมพ์ได้อย่างไรแม้แต่หนังสือพิมพ์เราก็รู้ไหมล่าว่าเขาเขียนหลอกเราหรือเปล่านะอย่างที่ว่านักข่าวเขียนในหนังสือพิมพ์อาจยากรอนเป็นต้นอย่างก็ว่านักข่าวไปทํามาเองอย่างนั้นนะรู้ราละเอียดไปหมดเลยนะเหมือนก็รู้ตลอดไหมแล้วมันจริงไหมล่ะฉันใดก็ดีการศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเราก็ทํำยังไงให้มีเวลาอยู่กับคําสอนนะแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เหลือเป็นสมบัติชิ้นสุดท้าย ที่เราพอจะเรียนได้ที่เราพอจะศึกษาได้คําแปลเหล่านี้เนี่ยนะเรากอา็อย่าเพิ่งไปดูถูกคนแปลเป็นต้นเลยเขาสะสมความรู้ถ่ายทอดกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเนี่ยนะของเราทั้งหลายไม่เออเรียกว่าไม่ถึงกับขนาดว่าลงทุนลงแรงไปเรียนแปลเป็นต้นมาเลยเนี่ยนะอีกนานกว่าจะได้อ่านในระดับนั้นได้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารเฉพาะหน้าเขามีเหตุผลว่าเขามีสมมติผู้ที่บริโภคปลาเนี่ยนะ ปลามันจะมีก้างบ้างอาศัยก้างอยู่สามสี่ชิ้นก็เลยบอกมีเหตุผลไม่สมควรกินปลาเพราะอะไรเพราะมันมีก้างพระไตรปิฎกก็เหมือนกันไปเจอข้อผิดเล็กน้อยก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยไม่ยอมศึกษาเป็นต้นขอฟังจากคนที่เราเชื่อใจมากกว่าเราเอาอะไรมาเชื่อใจเขาขนาดนั้นเนี่ยนะเขามั่นคงในพระตระตรายขนาดไหนเขารู้จักพระพุทธเจ้าดีจริงหรือเป็นต้นพูดอย่างนี้ไม่ใช่ให้พูดให้ระแวงแต่ให ระวังให้ดีๆไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเรารับผิดชอบตัวเราเองนะชีวิตที่เราจะไปในวัตจัเรามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราไม่ระวังเนี่ยนะเราก็จะเสียใจในวันหลังไม่แน่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ลืมเสียใจก็ได้ถ้าเป็นแมลงเม่าก็ไม่ได้มีโอกาสเสียใจไปเลยเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไปยังไงมายังไงนึกอะไรก็ไม่ออกเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็เสียหายมันเวลานี้ถือว่าเป็นเวลา เป็นกาละเป็นสมัยที่เราจะต้องทบทวนเนี่ยนะทบทวนชีวิตของเราให้หมดเลยเพราะว่าเวลามันก็ทุกคนก็เหลือจำกัดหมดแล้วเนี่ยนะจำกัดหมดจริ ง, รงๆทุกคนมีจำกัดหมดเมื่อวันก่อน ค, คุยกันกับท่านหนึ่งบอกว่าสา ม, มารถศึกษาธรรมะได้อาทิตย์ละแค่3ถึงหชั่วโมงสามถึงชั่วโมงก็ไม่ได้ศึกษาอย่างต่อนเนื่องทุกอาทิตย์ที่ไหน บางอาทิตย์ก็ได้ศึกษาบางบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ศึกษาแต่เฉลี่ยแล้วประมาณอาทิตย์ละ5้าถึงสามถึงห้าชั่วโมง6ชั่วโมงบอกว่า 3- าถึงหชั่วโมงนี่อาทิตย์ละชีวิตของเราเหลืออีกกี่อาทิตย์เออจริงก็มาคํานวณดูว่าควรจะปีหนึงมีห้อาทิตย์ใช่ไหมได้เลยว่าได้ควรได้กี่ชั่วโมงมีเวลาชีวิตกี่ชั่วโมงแล้วที่เหลือคูณในกี่ปีเขา้าแล้วเวลาชีวิตอยู่สมมุติว่ามีเวลาศึกษาสักพันชั่วโมง ถ้าหนึ่งพันชั่วโมงเนี่ยนะเราควรจะศึกษาอะไรก็เหมือนอย่างว่าคนที่มีสตังยจากเนี่ยนะควรจะลงทุนทําอะไรดีฉั้นใดก็ดีเวลาที่คนที่มีเวลาจํากเนี่ยนะชีวิตของเราเนี่ยจำกัดทุกเรื่องหมดเลยจํากัดทั้งเวลาทั้งสถานที่โดยเฉพาะไอที่สําคัญคือสติปัญญานี่มันจํากัดเนีนะเป็นเหมือนกับแก้วใบไม่ใหญ่เท่าไหร่เราควรจะจุบอะไรเอาไว้ที่จิตใจเนี่ยนะควรบรรจุอะไรไว้ที่จิตใจของเรา หลายท่านเริ่มศึกษามาเพื่อพดุงศาสนาก็อนุโมทนาด้วยแต่เชื่อคุณทำไม่สำเร็จหรอกเน่นะเพราะอะไรเพราะว่าเราบุญน้อยเกินไปที่จะรักษาพระศาสนาในองรวมด้วยเพราะเพราะว่าคุณไปรักษาศาสนาให้คนอื่นแต่ว่าไม่ได้รักษาให้แก่ตัวเองทีนี้ย้อนกลับมาว่าเมื่อเวลาของเราทั้งหลายมีจากัดเช่นนี้อะไรหลายๆเรื่องจากัดเช่นนี้ เราศึกษาพระธรรมในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันอยู่นี้เราเพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้นไหมอยากให้มาเอาตรงนี้มากกว่าเพราะจากดูจากหลายคนที่ศึกษาร่วมกันมาหลายปีเนี่ยนะแปลกใจว่าทำไมศรัทธาในพระรัตนตรัยไม่เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเครื่องเตือนใจอย่างมากว่าเราเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าปีนี้เราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามากกว่าปีก่อนไหม มากกว่าสมปีก่อนหปีก่อนไหมถ้าเรายังศึกษาพระธรรมอยู่อย่างนี้สักสิปีศรัทธาของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าควรเพิ่มเท่าไหร่เรารู้จักพระพุทธเจ้าแค่ไหนเรารู้จักพระพุทธเจ้าอย่างไรนะถ้าอีกสามปีหปีเราควรจะเข้าใจคำสอนแค่ไหนหรือหรือว่าศรัทธาของเรามั่นคงกับคาสอนขนาดไหนใจของเราเป็นไปกับคำสอนขนาดไหน เรารู้จักความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ทั้งหลายขนาดไหนท่านปฏิบัติดีกันอย่างไรทำไมปฏิบัติจนอัญชลีการณีโยเนี่ยนะควรเป็นเป็นบุคคลที่ควรแก่กทำอัญชลีทำไมจึงน่ากราบน่าไหว้เป็นต้นทำไมท่านเหล่านั้นจึงเป็นนาบุญและก็เราจะเพิ่มพูนกุศลธรรมเหล่านี้ที่มีในท่านเหล่านั้นได้อย่างไรเราก็มาสอบสวนเพื่อว่าเพื่อเพิ่มพูนเพิ่มพูนอะไรเพิ่มพูนสัจทินซี เพิ่มพูนสัตทินรีของเราเพราะว่าเราอย่างไรเสียอย่างไงก็ต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันเป็นเบื้องต้นถ้าศึกษาปีนี้มีศรัทธากับในพระรัตนตรน้อยกว่าปีที่แล้วให้รู้ทวากิจกรรมในการบำเพ็ญบุญผิดพลาดมาตลอดเพราะอะไรก็เหมือนกับว่าอธุรกิจใหญ่โตแต่ว่าขาดทุนทุกปีทุกปีทุกฟีนี่ถือว่าดีไหมไม่ดีฉันใด ศึกษาพระธรรมก็เหมือนกันอริยรัพท์ที่เราพึงได้คือศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในทัศนะของเราเป็นอย่างไรยังไงก็ถือให้วนๆอยู่ตรงนี้เถอะเนี่ยนะอย่าไปเรียกว่าอย่าไปถลํมอะไรลึกจนเกินไปลึกจนไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลึกที่หน้าหรือเสี่ยงมากนะถือว่าเสี่ยงเกินไปมันเราก็ทุกอย่างที่เราจะเสียเส่ยงงแบบนั้นไม่ต้องเสี่ยงขนาดนั้นหรอก ทุกอย่างขอให้เดินตามพระรัตนตรัยเธอให้จิตใจเป็นไปกับพระรัตนตรัยให้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ฝึกๆไว้ว่าแม้กระทั่งลืมตาเห็นเนี่ยเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณได้ได้ยินเสียงแววหนึ่งคำใครพูดก็ช่างเถอะเข้าใจคุณพระรัตนตรยนะัยณที่นั้นๆได้เลยทุกอย่างในชีวิตที่เป็นจริงของเราเป็นไปกับพระรัตนตรัยหมดเลยไม่ใช่ว่าไปที่ไหนแล้วพกพระพุทธรูปไปด้วยนะไม่ใช่แปลแบบนั้น แปลว่าทราบซึ้งในพระคุณของพระพุทธเจ้าในที่ทุกหนและทุกแห่งทราบซึ่งในคุณของพระรัตนตรัยในทุกหนทุกแห่งแม้แก่กระทําอาชีพประกอบอาชีพก็ยังนึกถึงพระรัตนตรัยอยู่ได้นึกถึงมรรคได้นึกถึงข้อปฏิบัติได้โดยที่ไม่ไม่เบลอไม่เละไม่เลือนแล้วก็อธิบายได้ทุกอย่างอย่างน้อยที่สุดตอบคําตอบให้ตัวเองพอใจได้ทีนี้ก็ต้องตปลว่าเราเข้าข้างตัวเองไหม อันนั้นก็ย้อนกลับมาหาคําสอนอีกตามเดิมเป็นต้นมันสอบสวนมันเทียบเคียงมันใคร่ครวนไม่อย่างนั้นนี่เราก็คือสังสรารวัตรเราก็อยู่กันมานานเต็มทีแล้วนะถ้าลองศึกษาเป็นไปตามคําสอนดูว่าจะเป็นอย่างไรในไหนเราก็มีสารณะอยู่แล้วแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยนะก็จะเป็นแบบแบบที่พระองค์อุทาเนี่ยไม่ผิดเลยมแมลงเม่าบินเข้ากองไฟชั้นใดก็ดีเราเรารู้ได้ยังไงว่าเรานี้ ห่างจากไฟมากแล้วที่ที่กล่าวถึงว่ากรณีที่พระองค์เห็นมแมลงเม้าบินเข้ากองไฟแล้วพระองค์อุทานเนี่ยนะที่บอกว่ า, มาแมลงเม้าทั้งหลายไม่รู้ถึงประโยชน์ของตนถึงความวอดวายด้วยความพยายามของตนก็คือบินไปไหนบินไปหากองไฟบินไปลงในประทีบน้ำมันก็คือบินไปให้ชุบน้ำมันนะไปไปอะไรนะเคยทอดทอดทอดไข่ไหม เคยเจียวไข่เป็นต้นไหมอัน้ํามันใส่ไปก่อนแล้วก็สู้เลยนะชันดเนี่ยมแมลงเม่าก็เหมือนกันไม่รู้ว่าอะไรคือประโยชน์ของตนก็บินจมลงไปในน้ํามันที่ร้อนนั่นแหละก็เลยวอดวายเหนไะแม้ถ้าถูกทอดขนาดนั้นเนี่ยเจ็บปวดทุกอนูเลยใช่ไหมกว่าจะจุติแล้วก็ประโยชน์ที่ควรจะได้ก็ขาดประโยชน์โลกนี้ก็ขาดถามว่าถ้ า, มาแมลงเม่าตายเนี่ยมตายแล้วไปเกิดที่ไหนต่อ จุติและอุบัติที่ไหนต่อไปไม่ดีโดยมากฉัน้นใดพระองค์นี้เปล่งอุทานอันนี้แสดงความวอดวายของมิจฉาทิฐิบุคคลโดยการถือเอาผิดเหมือนแมลงเมาฉะนั้นเป็นคำสังเวชใจมากที่พระองค์สังเวชใจว่ามิจฉาทิฐิเนี่ยความรู้ผิดความคิดผิดความเข้าใจผิดเนี่ยวอดวายเหมือนกับแมลงเมาเนี่ยนะแม็แมลงเม่าบินเข้ากองไฟ อธิบายว่าอุปาติทาวันติณนะสารเมนติความว่าไม่ถึงธรรมะคือธรรมะที่เป็นสาระธรรมะที่เป็นสาระมีอะไรบ้างศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตตเป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติแล้วไม่ถึงสาระก็คือไม่ถึงโดยการตรัสรู้สัจจสี่เพราะการปฏิบัติที่ถูกก็คือตรัสรู้อริยสัจสเมื่อกี้บอกว่าเอออริยสัจสีกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยต่างกันไหม พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าเพราะแทงตลอดอริยาาสัตว์สีอริยาาสัตว์สี่นิสมูทัยแทงตลอดด้วยการละมักแทงตลอดด้วยการเจริญเพราะพระองค์นิสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นต้นเพราะถ้าเราจะปฏิบัติตามเราก็ต้องมีศีลสมาธิและปัญญาตรัสรู้อริยาาสัตว์ตามท่านแต่เมื่อธรรมะอันเป็นสาระพร้อมทั้งอุบาย นั้นยังดำรงอยู่นั่นแหละพวกเขาเป็นเสมือนเข้าถึงธรรมอันเป็นสาระเพราะหวังธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นย่อมแล่นไปคือเลยไปด้วยทิฏฐิวิปลาดอธิบายว่ายึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันห่าว่าเที่ยงงามสุขและอัตตาเดียรถีเนี่ยนะที่ปฏิบัติผิดเสมือนเข้าถึงธรรมอันเป็นสาระท่านบอกว่าเหมือนโยอมไปเสื้ออะไรมาเหมือนทองเลยี่ย ไปซื้ออะไรมาเหมือนเพชรเลยเม็ดอะไรเนี่ยราคาเท่าเพชรเนี่ยนะซื้อมาที่เหมือนเหมือนเพชรทุกอย่างเลยนะดีไหมไม่ดีฉันใดาการปฏิบัติของเราเนี่ยเสมือนเราได้สาระเหมือนประสบสิ่งที่มีประโยชน์แต่ก็ถ้าพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยนะพื้นฐานของการปฏิบัติถ้าน้อมไปว่าขันห้าเที่ยงอันนี้ก็แสดงว่าเป็นความผิดพลาดแน่นอน ถ้าว่าขันห้าเนี่ยสุขงามอัตตาเป็นต้นเนี่ยนะพื้นฐานในการปฏิบัติในที่สุดไหลเข้าไปเพิ่มพูนวิปราสนนั่นคือการปฏิบัติผิดเนี่ยนะเพราะว่าปกติแล้วอุปาทานขันห้าอนิจจังทุกขังและอนัตตาทวนวในครั้งหนึ่งถ้ารู้อนิจจังแล้วยังไงรู้ทุกขังดียังไงรู้อนัตตาดียังไงในไหนก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าฉันจะเห็นว่าขันหเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เอาใหม่ก็ได้ถ้าเห็นขันห่าโดยความเป็นนิจังสุขขังและอัตานี่ดียังไงดีไหมตอนต้นดูดีแต่ตอนตายไม่ดีไม่ดีอย่างไรก็ก็รุกอธิบายมามากแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกว่าถ้าเราตามเห็นขันห่าว่าไม่เที่ยงหรือเรียกว่าอนิจังทุกขังอนาตานี่นะประโยชน์ที่ควรได้คืออะไรถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจังขันท่าจะน่ากลัว จะเป็นแนวทางให้บรรลุอะไรอนิจจังเนี่ยนะปัญญาที่รู้อา น, นิจจังก็เป็นอา น, นิจจานุปัสนาอานิจจานุปัสนาเป็นตัดใจแก่อนิมิตตวิโมกถ้าเห็นโดยความเป็นท <iantes> ุกขังก็เป็นทุกขานุปัสนาทุกขานุปัสนาเป็นอุปนิสัยอปนิหิตาวิโมกถ้าการเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตานุปัสนาเป็นอุปนิสัยแกสุญตาวิโมก ถ้าเห็นโดยอนจิจจังแปลว่านิมิตน่ากลัวเห็นโดยทุกขังประวัติตะน่ากลัวถ้าเห็นโดยทั้งเห็นโดยอนัตตาทั้งนิมิตและประวัติตะน่ากลัวเป็นต้นเพราะการพูดอนจิจจังทุกขังอนัตตาต้องน้อมไปเพื่ออริยมรรคถ้าเห็นโดยความเป็นอนิจจังละโทสะถ้าเห็นโดยทุกขังละตัณหาราคาถ้าเห็นโดยอนัตตาละโมหะเป็นต้นคือในที่สุดจะต้อง คําสอนของพระพุทธเจ้าเครื่องวินิจฉัยว่าถูกผิดนั้นก็คือต้องน้อมไปเพื่อละราคะโทสะและโมหะมีใจเป็นของตัวเองมากขึ้นเนี่ยนะจิตใจมั่นคงมากขึ้นมีใจเป็นปกติสุขมากขึ้นเจริญงอกงามมากขึ้นนั่นแหละเป็นคําสอนที่ที่เป็นไปตามคําสอนแล้วเนี่ย น, นะแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิบุคคลบอกไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก เสมือนเนี่ยนะเสมือนมัชชิมาปฏิปทาเสมือนถึงศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะเรียกว่าตอนออกตัวออกจากบ้านออกเหมือนกันแต่ที่หมายไม่เหมือนกันเป็นต้นเนี่ยนะบทว่านาวังนวังพันธนังพรูยัมติความว่าก็เมื่อยึดถืออย่างนั้นยึดถือด้วยอํานาจมิชชัทิธิเนี่ยนะมิชชัทิธินําไปด้วยอํานาจทิฐิวิปลาดว่าเที่ยงงามสุขและอัตตก็ย่อมพอกพูน พ่อพูนอะไรคือขยายธรรมะเครื่องผูกใหม่ๆไปเรื่อยพอพอกิเลสอย่างนี้ก็ขยายมิจฉาทิฐิขยายตัณหาขยายทิฐิขยายตัณหามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสมณะพราหมณพวกหนึ่งเพราะถูกเครื่องผูกคือตัณหาและทิฐิผูกเอาไว้อย่างนี้จึงยึดถือในรูปที่ตนเห็นคือในรูปอารมากกญญาณ์ด้วยจักรวิญญาณด้วยทิฐิทัศน์ของตนนั่นแล และก็ยึดถือในสัท ธ, ธารลมที่ตนได้ยินมาด้วยเหตุเพียงได้ยินได้ฟังเท่านั้นว่าเพราะเหตุนี้นั่นแหละสิ่งนี้ย่อมเป็นอย่างนี้โดยแน่นอนหรือยึดถือโดยนายเป็นต้นว่าสิ่งทั้งปวงเที่ยงโดยอาการยึดถือผิดๆเพราะไม่รู้ธรรมะเป็นเหตุสลัดออกที่เป็นประโยชน์โดยส่วนเดียวแปลเป็นภาษาภาษาอริยศาสต์ซีว่าธรรมะเป็นเหตุสลัดออกแปลเป็นสัจจะอะไร ไม่รู้ธรรมะเป็นเหตุสลัดออกอะไรสัจจะอะไรไม่รู้ธรรมะเป็นเหตุสลัดออกอเพราะว่านิสระนานะถูกแล้วนิโรสัจจะอน่ะที่ไปยึดถือผิดผิดยึดถือวิปลาสปลาสบา้บาบาบอเป็นต้นเนี่ยที่ว่าก็คือเพราะไม่รู้จักพระนิพพานเนี่ยนะก็ที่จริงอ่ะนะแบบถ้าพูดแบบภาษาไทยๆนะยึดถือผิดๆิดอะไรก็ยึดถือ บ้าบ้ า, บ า, บ า, บานั่นแหละถูกแล้วเพราะว่าไม่รู้จักพระนิพพานไม่รู้จักธรรมะเป็นที่สลัดออกจากวัตตะนี่นะนิสรณโถไม่รู้จักนิพพานที่เป็นนิสรณะเนี่ยนะพอไม่รู้จักนิสระธรรมก็ไปยึดถือแต่เฉพาะในอุปาทานขันห้าใช่ไหมยึดอุปาทานขันห้าจะบอกว่ารูปเสียงถ้าพูดรูปเสียงตปรูปเสียงมีอะไรเป็นเหตุไรก็มาหาพูดก็ยึดถือแต่ในโลกของ มหาพูทยึดถือปฐวีอาปโปเตโชและวาโยที่มีสมุดฐานต่างๆกันพอยึดถือผิดๆ ด, ด้วยอาการวิปลาสก็เลยไม่เห็นพระนิพพานเพราะปกติเนี่ยเขาควรจะรู้อะไรเขาควรจะรู้มหาพูต ร, รูปเหตุเกิดของมหาพูต ร, รูปความดับมหาพูทธ ร, รูปอัศาธะาแห่งมหาภูทธ ร, รูปอาทีนวะคือโทษภัยของมหาภูต ร, รูปและนิสรณะนะการสลัดออกจากมหาพูทธ ร, รูปโดยประการทั้งปวง แต่นี้เมื่อไม่รู้อย่างนี้ก็ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงอย่างเดียวหลุมอันนั้นที่เขาตกไปคือภพสามและภพสามนี่แหละที่ไฟสิบอ็ดกองเผาลุกโชนแล้วไฟคือราคาโทสะโมหะไฟคือชาติชรามรณะโสกาปริเทวทุกโทมนัตและอุปาญาเหมือนแมลงเม่าเหล่านี้บินตกลงไปสู่เพลิงฉะนั้นเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ไอทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิตันหาทิฏฐิเนี่ยก็เรียกว่าอุปาทาน อนะันนะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติหลังจากนั้นก็ชรามรณะสาเหตุของโสกาะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตก็ไหลไปในกองทุกคือในในยุคนี้อใ น, ในยุคสมัยพุทธกาลก็ตามทาั้งทั้งที่พระพุทธเจ้ามีพระชนอยู่คำสอนก็มีมีอยู่ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลก็มีอยู่เหล่าเดียรทีทั้งหลายก็ไม่ไป สแสวงหาข้อปฏิบัติที่เป็นสัมมาทิฐิที่กําจัดมิจฉาทิฐิจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กลับไปทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามไปเจริญไปพอกพูนมิจฉาทิฐิชั้นใดในยุคใหม่ก็ลักษณะเดียวกันคำสอนก็มีอยู่แต่ก็ไม่เอาตามเมื่อไม่เอาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปไห น, นเนาคราวนี้ก็ก็อย่างว่านะทุกคนก็จะรู้ด้วยตัวของตัวเองนะทุกคนก็ต้อง อะอย่าลืมว่ากรรมมัสโกมหิอยนนดีไหมเอาก็ดีสิเพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเนี่ยนะยังไงก็ขอเกาะพระพุทธเจ้าไว้ก่อนนะพุทธังสารนังขะฉามิว่าจนอะไรก็บอกเอาแค่ไหนดีก็จนกว่าบอกว่าก็คำเลิกพูดคานี้ไม่ได้จริงๆนนก็ต้องมั่นคงให้อยู่กับพระพุทธเจ้าเสมอแต่อย่าลืมนะว่าพู้โทนี่กิจเอ๊ะผู้โทคืออะไร พุทธพุทธพุธโทโธพุทธเนี่ยนะรู้อะไรรู้อริยสัจ ต, ตื่นจากกิเลสนิทราเบิกบานด้วยปัญญาให้รู้อริยสัจ ร, รู้ยังไงที่จริงคําว่าพุโทโธเนี่ยนะเป็นคําที่ทํากิจอริยสัจพ ร, ร้อมกันกําหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำนิโรธให้แจ้งเจริญอารยมรดเนี่ยนะมันนั่นคือพุทธ หรือพระพุทธเจ้าถ้าสาวกพุทธก็ทํากิจอันนี้โดยอาศัยการฟังจากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้สิ่งนี้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นมันเราก็ต้องมาระลึกทบทวนไว้เสมอว่าผู้ทางสารานางังฆะฉามิเป็นต้นคือพระองค์ผู้ทํากิจเหล่านี้แล้วก็แนะนําให้ผู้อื่นทํากิจตามด้วยเป็นต้นเนี่ะอาก็เอาให้มันแม่นยําหน่อยไม่งั้นก็ได้แต่สติ๊กเกอร์พระพุทธเจ้าไปอีกแล้ว